อันดับแรกก็คงจะมีหลวงพอ่อจะได้กล่าวเรื่องราวพวกเราจะได้มอบรถแอมโมเรนต์แอมโมเรนต์มมนให้โรงพยาบาลศูนย์มูลนิธิรถหมูลนิธิมอบให้โรงพยาบาลศูนย์อุดรแล้วก็จะมีการบวชพระประมาณชักเที่ยงพระสององค์พระสองรูป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 เป็นการถวายพระราชฎุกุศลโดยพร้อมเพียงกันตอนนี้ไปพระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนตรย่อๆซะก่อนนะจะสวดโพธทรงตามแนวแถวของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ประสวลก็ให้พระโมกขราพระจุนทะพระเถระในครั้งพุทธกาลเจริญพระพุทธมนตรยู่ว่าโพธ์สังโคโพธทรง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 อนนันไม่อย่างบุททัสสะภะคะวาโตปุบาภะกนมะการังกะโรมะเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมบุททัสสะสามบัสังขานุภาเวนะสุทิโหตุนิรันตรง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 ไม่มีรถส่งอา้าวรถมูนิติของหลวงพ่ออินขันนี่แหละนําส่งเลยเอไม่ต้องอมีอะไรเอแล้วก็ให้ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเอทํามันพังต่อไปภายภาคหน้าถ้าหลวงพ่อไม่ตายง่ายอาจจะมีอีกให้อีกนเออเพราะนั้นให้เกิดประโยชน์แต่หลวงพ่อเขาก็ถามทางลูกหลานทางตัวโยต้าก็ถามหลวงพ่อจะเอารถเอระดับไหน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 กำลังไม่พอต้อมเตี่ยมกระดูดูก็จะไม่เหมาะสมมั่งรถคันนี้จะเป็นรถที่ท่าสั่งมาใหม่ก็เอาให้สามพันเลยก็แล้วการให้กําลังวิ่งให้มีกําลังในีหลวงพ่อก็ได้สั่งได้พูดอย่างนี้แหละคณะสัตยาติโยมลูกหลานนะแต่จะว่าหลวงพออ่อเอ้ยเวอร์เพราะหลวงพ่อได้ยินคํานี้มาบ่อยแล้วเกินในช่วงหลางๆนะลูกหลานเนะี่ยฟังเอาไว้นะ ว่าหลวงพ่ออินเนี่ยวัดรอยหลงตาบังหลวงพ่ออินเนี่ยขี้อวดบางหลวงพ่ออินเนี่ยเบ้อบังหลวงพ่อก็มีแต่ฟังฟังหลวงพอ่อว่าหลวงพ่อไม่ขี้อวดนะ เ, เพราะว่ามีอะไรก็พูดตามความเป็นจริงใช่ว่าวันนี้เออลูกหลานไดรถแอมบ์ลน์มานะหลวงพ่อจะมอบรถแอมบลน์น่ะกรถแอมบ์ลน์ก็มาจริงๆจึงว่าหลวงพ่อขี้อวดได้ยังไงใช่ไหมพูดตามความเป็นจริง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 จากนั้นก็น ล, งลงพยาบาล น, น้องบัว ล, ลําพูอีกตัวจะได้เครื่องทําความาสะอาดเครื่องมือแพทย์เครื่องอบเครื่องมือแพทย์ราคาเท่าไรส0 0 0 0นกว่าบาทบ้างตัวนี้นั่นหลวงพ่อเคยเอานี่แหละอันนี้ก็คือการช่วยเหลือชุมชนและสังคมของหลวงพอ่อมากก็นั่นก็โรงเรียนบ้างบางเกนี่กันโรงเรียนน้ํำสมหลวงพอ่อก็ยังเป็นนี่อีกเขาทําอาคารขึ้นมา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 พอแต่งานพานะั้นได้ลูกคนคนคนแรกนะลูกคนแรกกาลังน่ารักนะพอได้ลูกตายเออตายด้วยประการใดก็ไม่สู้ลูกตายนายและกันางก็เห็นว่ามันไม่กระดุกกระดิกมันนิ่งนางก็ไม่รู้อันนี้คือตายนะี่คืออะไรนะเพราะทํานไม่เคยได้ศึกษาไม่เคยได้เรียนรู้เรื่องตายนะี่คืออะไรนะเนี่ยผมบางคนหนึ่งฉลาดทางหนึ่งแต่มันโง่งทางหนึ่งนะมันคนไม่ใช่ว่าฉลาดทุกอย่างไม่ใช่นะโลกอันนี้นะเอออันนี้ก็นางก็ไม่รู้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 พูดกับแม่ได้อย่างเก น, นางก็อุ้มลูกปีเข้าไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกโอ้อกีสาโคต ม, มีอันนี้เออเรามียาอยู่แต่ว่าให้เธอไปหานะให้ไปหายาไปไปหาไปถามว่าให้เอาเมาล็ดงา เ, าเอามล็ดผักกาดเมล็ดพันุ์ผักกาดนะเนี่ยไปถามเขาที่ว่า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 อันรับพรนะต่ตะนนี้เนาะ